ในสุตตันิบาตหน้า141เพิ่มเติมย่อหน้าว่าคำว่าแรงเห็นโทษที่เกิดจากความเยื่อใยอธิบายว่าความทุกเนี่ยนะความหมายก็คือเห็นโทษก็คือเห็นความทุก์ที่เกิดตามมาจากความเยื่อใย ห, หมายว่าความเยื่อใยนี่เป็นสายสัมพันธ์แห่งความทุกเ์นทุกเนี่ยติดตามความเยื่อใย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 ช้างข้าวก็ของเราคลังก็ของเราแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดก็ของเราด้วยอํานาจตันหา น, น, นะนะลักษณะของตันหาก็คือการยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองแล้วแต่ว่าถ้าพูดระดับจักรวาลบอกโลกของเราองนั้นอย่งของเราเองกก น, นะพอพูดจักรวาลเยอะๆจักรวาลบอกนี้จักรวาลของเราตันหานี่มันยิ่งใหญ่จริงๆตันหาวิปริตร้อยแปดชื่อว่าความรักด้วยอํานาจตันหาความเสนหาด้วยอํานาจตันหา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 ผลออกมาก็คือความทุกข์เนนะีถ้าใส่ใจไว้บ่อยๆว่าผลของความยึดถือทุกอย่างนํามาซึ่งความทุกอันนี้ก็จะทําให้ละคลายความสเสน่หาความเยื่อใยความรักเหล่านั้นออกไปได้ความรักด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นไนะสากายทิฏฐิมีวัตถุ20่ิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10บอันตากาหิกะทิฏฐิมีทิฏฐิมีวัตถุ10สากายทิฏฐิ20ตรงนี้ยกตัวอย่างทิฏฐิ40 แล้วก็บวกทิฏฐิหกอีกเป็นทิฏฐิร้อยเท่าไหร่ทิฏฐิร้อยสอ่ะนะโอ้ยสรารพัดเนี่ยเกือบถึงร้อเลยนะขาดอีกหสกายทิฏฐิมีวัตถุ20่มีอะไรบ้างเห็นรูปโดยความเป็นตนเป็นตน้นมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10บก็คื อ, อการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นนันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10 ส่วนอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุเศษร็เช่นว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกไม่ใช่โลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีบางอย่างเที่ยงบางอย่างก็ไม่เที่ยงก็ถกกันไปนี่เรียกว่าอันตัคาหิกะเนี่ยนะพวกถือเอาแบบสุดๆเหมือนกันเถอะทิถิเห็นป่านนี้ทิฐิไปแล้วทิถิรกชัดตัวมิจฉาทิฐิเนี่ยมันที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันรกชัดมาก แ้าพูดถึงความกันดารเนี่ยอะไรจะกันดารเท่ากับมิจฉาทิฐิไม่มีอีกแล้วมันทิฐิกันดารทิฐิเป็นเหมือนกับเสี้ยนน้ำนะเหมือนกับเสี้ย น, นเหมือนกับน้ำถ้าถ้าใครเข้าป่าปบ่อยๆแล้วถูกน้ําตําบ่อยๆนี่จะรู้ว่าเหมือนเสี้ยนน้ำเนี่ยเข้าใจชัดเนี่ยนะแล้ว่าเดิมมันถลอกปอกเปิกหมดเลยนะตัวนี้เป็นริ้วหมดเลยใครเข้าป่าปบ่อยๆนี่จะรู้ว่าแคนเนี่ยเป็นริ้วหมดขานี่ยิ่งเป็นริ้วใหญ่เลยเป็นริว้วเป็นริ้วเป็นริ้วเนี่ยนะบางทีพวกเช่นพวกน้ําน้ำไหวเนี่ยนะน้ำไหวน้ํา ต่างๆน้ําต้นไม้ต่างๆเนี่ยเพล่อแพรบเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยครูดว้าบเอาไปล้เป็นรียวเป็นรียวเป็นรียวเป็นรียวเ น, วนี่ยเหมือนรอยข่วนเต้ไปหมดเลยมันทิถิจึงเหมือนเสี้ยนหนามทิถีนี่มันกวาดแกว่งมันไม่ค่อยแน่นอนสักพักหนึ่งบอกว่าเที่ยงอีกพักหนึ่งบอกไม่เที่ยงอีกแล้วไม่ค่อยแน่นอนอ่ะมันแกว่งไปเหมือนนาฬิกาเนยนะทิถิเป็นสังโยชศคือสังโยชศคืออะไร เครื่องประกอบเอาไว้ความถือความถือเฉพาะความถือมั่นการรูปคลำทางผิดคลองผิดทางก็ผิดคลองก็ผิดเนี่ยนะความเป็นผิดเรียกว่ามิจฉาภาวะที่ผิดแล้วก็ลทัทธิแห่งเดรัจฉีลทัทธิเดรัจฉความถือด้วยการแสวงหาผิดความถืออันวิป ร, ริตความถืออันวิปรลาดความถือผิดความถือว่าจริงในวัตถุที่ไม่จริง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 เจ็บเสียอกเสียใจว่างั้นทุกโทรมนัดอันน้ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความรักเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นแปลภาษาไทยว่าถูกด่าก็เพราะความรักว่างั้นอ่างเที่มาว่าที่ถูกด่าถูกอะไรสารพัดเตียนะก็เกิดจากทุกใครด่าก็ช่างมันเป็นสาวไปหาเหตุจริงๆก็เกิดจากความเสน่หานั่นแหละ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 ทรงทําให้อยู่ในถ้อยคําเป็นที่สุดคือบังคับว่าเจ้าจะออกจากที่นี่ไม่ได้ผู้นั้นก็สเสวยทุกแม้เพราะเหตุแห่งพันธนาการทุกโทมานัตอันน้ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะวาเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเหตุมาจากความกําหนัดเหตุมาจากความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดีของผู้นั้น น, นะสูตรเขามีง่ายๆว่าครุกคลีความรักแล้วก็ความทุกข์นียตามมา แต่แล้วก็สั่งลงโทษไม่พอเพราะว่าพอมีความรักแล้วคนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราไปทําความชั่วอย่างอื่นตามอีกเยอะแยะไปหมดเลยพระราชาไม่พอพระทัยด้วยพระราชาอาจฉรเท่านั้นยังรับสั่งให้ริบทรัพย์ของผู้นั้นร้อยหนึ่งพนหนึ่งมา น, นะสั่งริบซับเลยใช่ไหมผู้นั้นเสเวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์ทุกโทมนัสอันหน้ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรน้ากลัวนี้ทศสุกสั่งริบทรับเนี่ยเพราะอะไร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 ต่อขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดท in ั้งเท้าตัดใบหูตัดจมูกเหมือนเรื่องสังทองไงนะตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกทําให้เป็นผู้มีหม้อเข้าเดือดบนศีรษะบ้างนะหมายคือว่าอมีดกรีดถลอกหล้งศีรษะแล้วก็เปิดกะโหลกแล้วก็เอาก้อนเหล็กแดงๆวางแล้วก็มันล้นออกมาเรียกว่าวางให้หม้อข้าเดือดบนศีรษะไม่ใช่เอาหม้อข้ามาตั้งบนศีรษะนะหมายคือว่าสมองเนี่ยเดือดออกมาเลย ให้ถลกหนังศีรษนให้โลนแล้วก็ขัดให้มีสีขาวเหมือนสีสังบวยนะขัดกระโหลกเลยว่างั้นนะให้มีปากเหมือนปากราหูบ้างก็ว่ า, อ, าอะไรนะมีดปาด ก, กรีดปากมาจนถึงเนี่ยปากราหูเ้าว่านะปากกว้างะนะทให้มีไฟลุกที่มือบ้างก็มัดมือแล้วก็จุดไฟเผาอะนะจุดไฟไม่เมือ่อถลกหนังแล้วก็ผูกเชือกฉุดไปมาบ้าง ตลกหนังเป็นริ้วเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างนะทำให้มีห่วงเหล็กที่ข้อศอกและที่เขา่าแล้วก็ใส่เหลาเหล็กตรึงเอาไว้บ้างฟังดูว่าระบบ ก, การลงโทษสมัยโบราณเป็นยางไงแหละเอาเบ็ดเกียวเอาเบ็ดเกียวติดที่เนื้อปากบ้างนะเกียวเบ็ดเนี่ยนะเกียวไปควักแล้วก็ดึงเกียวแล้วก็ดึงเกียวแล้วก็ดึงเนี่ยนะถูกตรงไหนก็หลุดมาหลุดมา เอามีดพระาถากตัวให้เป็นเท่ากับหาปะนาบ้างแล่ทีลรบาททีระบา ท, ท, บาทสองบาทเป็นชิ้นๆเอาไปทอดแบบท่านางอะไรมาคันธ่ยาทอดเสร็จก็ให้กินเลยทอดเสร็จก็ให้กินเลยแล้วก็เอาพระาถากแล้วก็ทาด้วยน้ำแสบบ้า ง, างนะหมายความว่าทำให้เป็นริ้วๆแล้วก็ทาเกลือเป็นต้นเนี่ยนเป็นๆ น, นะแต่เชื่อไหมว่าถ้ามนุษย์เนี่ยฟังอย่างเงี้บอกอุย ไม่น่าเลยนะโหดเยี่ยมจังเลยแต่ถ้าเดรฉาเนะี่ยถูกทาอย่างนี้ปกติแต่เช่นปลาเนี่ยเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ทุบนะเขาก็อมีดผ่าเป็นเรียวๆแล้วก็ถากเกลือเลยเป็นแล้วก็เข้าไปปิ้ ง, งแบบนั้นอนะ่ะแบบเป็นๆ น, แบบนั่นแหละมันตายคาไฟนั่นแหละเขามีแบบแบบเครื่องกะต้มอะไรนะเอาผักบุ้งแบบผักบุ้งก้านโตๆเลยนะแล้วปลาตัวน้อยๆมาต้มแล้วก็ใส่ทั้ง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 ให้สุนัข ก, กัดกินเนื้อที่ตัวบ้างเอาเหลาวเสียบไว้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างตัดหัวด้วยดาบแล้วแต่ว่าวิธีการตัดวิจิตพิสดารต่างๆถ้าเป็นพวกสงครามเนี่ยนะเห็นชัดเวลาตะกุยกำแพงเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงจะต้มน้ำมันเดือดๆเลยมาแล้วก็เทน้ำเดือดเทน้ำมันเนี่ยราดใส่ราดใส่ราดใส่เนี่ยนะมีทั้งทั้งเอเชียและยุโรปก็ทำเหมือนกันไอราดน้ำมันเดือดๆใส่เนี่ยเวลาเวลาสงครามเวลาแบบสงครามแบบใช้มีดใช้ดาบเนี่ยนะ